พระธรรมเทศนาแผ่นที่91าดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27สิบงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าทัว9ก้าวัดเพื่อความก้าวหน้า เพนองลูกหลานเมื่อนี้ฟังๆเบิ่งหลายหมูบ่บ้านได้เนี่ยเนาะหลายวัดตั้งหกวัดคนนะหกวัดอีกตั้งหลายหมู่บ้านอีกต่างหากเลยเนี่ยเ <c oughs> มื่อนี้หลวงพ่อก็ค่อยๆ อ, อ, อยู่ทั้งทั้งนอกเขาก็บอกว่าประมันเที่ยงน้หลวงพ่อท่านสิพ่อมาท่านเที่ยง <c oughs> ที่มากินเขาเที่ยงอยู่นี่มาท่านเนี่ยนำโสมรถประมาณสักสองลอยก็ขั้นม่านเนี่ย แอ้ขนประมาณจะเป็ดปะพันประมาณพันไปแต่หนอีกนัดประมาณเทียงลงพอเน่ลงพอแล้พ่อหอดใบโมงเคืงแล้ออกมากแล้วมาฉันาน้ำค่อยๆเนี่ยเนี่ยกว่าท่านแล้วในเชนแต่ลงพอนี่ยพกเออโซโฟเฟอร์บอกว่าลงพอเปิ้ลที่เขามากอนได้แล้วท่ mm. วานวยนั่นเขามากอนกับเขาม่านตัว <laughs> กันจะค่อยพวก น, นั้นค่อยโมยใหญ่จสมือใหญ่ไเดอว่ะอ่ คนมาจากน้ำโสมมันนั่นแ่ะเขาก็จะวัดตั้งเข้าอยู่เนี่ยนะบางๆจะไม่รดติดฟังๆบอกนะข <c oughs> ึ้นไปไนอย่างผู้เขาผู้เขาสามยอดเองขึ้นไปก็จะไม่อัดกันจะหันมั้งตัวสิลงมาได้บ้านเนี่ยทั่วเก้าวัดเพื่อความเจริญก้าหนาวเฮ้ยห <c oughs> ลวงพ่อไปข้าวนืงไป อลงพอปวดหัวเดแล้วก็ท่านท่านหวดที่ถูกขาตายเองที่ว่าขอ้อมวณิษฐ์ขาดนะนะเพื่อนเป็นเป็นมาลาเรียเป็นมาลาเรียเป็นว่าเป็นเห็นหดผียัางหมวยเว่เลยท่นเป็นว่านอนอยู่แบบผีข่างย่างข่างย่างเขาเมาเลยท่านเนี่ยโอ้กูเป็นมาลาเรียขึ้นสมองได้หรือท่นกูเป็นมาลาเรียขึ้นสมองเนีบอกเจ้าของไปไล่โบยานมันลงไปเออเออไอ้ครับว่า มันบอกได้แกูเป็นมลเล่ขนสมองนีบอแมนดอกอก็จะเนี่บอแมนผีดอกก็นอันนี้ก็ว่าเป็นมะลาเรี่ยวอกกันนี่ยเออโอ้แต่แต่เป็นแตายาวิรัติอาจารย์บาให้ไอเพิ่นก็เลย <c oughs> ไปหาหมอเออพ่อพาไปหาหมอหลวงพอไปผู้จักกับหมอเจริญมาเนี่ยหมอเจริญวัฒนะชุชาตินะเออเป็นลูกศิษย์ของลงตาเป็นโยมของออจังหวัดสกล น, นครเป็น ล, ลูกของ ยองวิชิตสกุลนครวัฒนาชูชาตินะเป็นลูกชิดของหลวงตาเนี่ยนะบรรดาเพื่อนเป็นเพอออจุสีทัญญาพระท่านอาจารย์ผมจุสีทัญญาผมไม่ได้นอนหรอกออออบ้านของผมบ้านพักนะ่ยผมออกพอนอนข้างนอกให้ท่านอาจารย์ไปพักยูหันก็ได้พักบ้านพักของผมเลยเดี๋ยวพยาบาลพวกหมอจะได้ทั้งบุญนิมนต์ท่านอาจารย์ไปพักยูหัน นี่แหละผมอยู่ใก่บำราดหน้าราดูน ล, ลูกติดเชื้อทางชวนร้อนอีกต่างหากมาลาเรียอะไรรักษาได้ทั้งหมดเอาอเออเไปพักน้ำเพลินบาเลยพอไปพักน้าเพินก็เลยไปหาภาพพันหวดนี่ไปหาหมอบำลงพิบาลบำราดนาราดูนพอไปเขาก็ตรวจเช็คปั๊บเขาก็หูแล้วเป็นเชื้อมาลาเรียเป็นเชื้อเป็นมันจุดศูนย์หมดเลย S <S พ่อมากก็ไให้ท่านท่านหวดกินบ네ัดนี่ยบัดเดีก็ลงพอก็ตรวจน้ำเคยกันก่อนตรวจท้งพอมันมีมาลาเรียบัดนี่ยเพีแต่ท่านหดพอเดี๋ยวมีมาลาเรียพอกินเข้าไปท่านหดยาเขาดีหรืัพอกินเข้าไปแล้วหัวตะกรนันเคือกนกันเขาเอา เ, เอากีหินมาตั้งไว้ทั้งหวัวเนี่ยมันอึดื้อชวสันนะมันอืดเคยมัดมือบัดเว่ น, นพ่อกินเข้าไปแล้ว เหมือนกับมันถอนอ๋อถอนเบาอ๋อเบ า, อ, บาออกเลยเออเอาไปวันไรหายเราอ่ะบาดเนรหลวงพ่อบาดนรหลว ง, งพ่อเอท่านเนี่ยเป็นประสาทหรือเป็นอะไรเนาะอะ่รบาดนพ่อไปหอดโรงพยาบาลประสาทได้บ้นวัสี่สัญญาณไหมอจเริศกับพาไปบาดเนรไปตรวจไปตรวจประสาทบาดนรไอแผงประสาทเขออาใหญ่พ่อฝาพลังเนี่ยเออมีสายออกมาจาักเยอะแยะ ใส่แข้งใส่ขาใส่ตีนใส่มือใส่หัวเดี่ยแม่มัดวันออกไปเขาตรวจประสาทวอกไปแผลขวาขวาขวนังวันหลวงพ่อไปนอนั่นนะเขาก็มาตรวจนะก็ตรวจตรวจตรวจเสร็จแล้วหมอเจริญพอตรวจแล้วหมอเจริญก็มาว่าตรวจเสร็จแล้วยังครับเป็นไงไอพวกพนังานว่ะเสร็จแล้วครับตรวจเพิ่งเสร็จครับอหน้าเสียดายว่ะมาเสนอหมอเจริญว่ะ ถ้าผมมาทันผมจะบอกเอาท่านเอ็นเข้าสมาธิดูสิเพื่อนผมจะตรวจดูะอพอพนวัยไอ้หลวงปู่หลวงปู่ไอ้หลวงปู่ชอบนะไอ้หลวงปู่นิมนตหลวงปู่เข้าสมาธิเสร็จเครื่องตรวจตัวนี้นะผมว่าเพราะเขาสมาธิเครื่องตรวจตัวนี้ชื่อคิงหนึ่งคิงหนึ่งแล้วเสร็มันบกขืนหนึ่งสีเด้เออคือขืนหัวใจแต่พอชื่อคิงหนึ่งคิงหนึ่งแล้วเสว่า เออบันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นเขาสมาธิบ้านนี้เพิ่นว่าที่ลองให้ลงโปเอ็นเขาสมาธิบ่หมดเ้าาโอ้โอ้นาบโชคดีเว้ยนับประโชคดีเขาตรวจแล้วก้อนนูนฉนเนาะบ้านเลเขาก็เล่นางคุยกับพออยหนนไปสามสี่คนก็เล่นนางคุยกันบานนี้มิมีออกคนหนึ่งคนะม่าณชักกลางคนนี่แะมาาสี่เซฟวนอไปมากับญาติพี่น้องเขากับ คือเป็นประสาทเาไปญาพี่น้องก็าเลยยานน้ากตามแขนมากกว่าไปไปตรวจหมอเองพ่อหมอหอดเห็นผ่านี่พี่บ้าก็ผาเนี่ยถือกันได้แ่ดพี่บาก็ผานี่ถือกันได้แต่พ่อหมอหอดกาบปลากปลลกปลลกปลาลกปลาลกาบโบยจากเส้าวนะไปกาบถึงเก่าเทื่อนไปแต่เฮาพอได้นับเราไม่ันกาบสักเทื่อนหอไปไอหมอเจริญเอ้าทาไมกาบหลายข้างนัก ท่า น, น ไ, นไม่กราบหลายครั่งนักก็แทนพอออดถามมันอไปบ่ายห้าบ้นแม่นขึ้นว่าเบิกหนาเลยพูดอะไรเหมือนกับว่าผุนวะด้ <laughs> เขากราบเก้าครั้งเพื่อความเจริญเก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้ผุนวะด้เฮ้าก็เลยได้สับโอกราบเก้าเก้าเธอไปเก่าวัดเพื่อความเจริญเก้าหนาต๊วเดีย <c oughs> เขากลาบเก้าครั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเขาก็ไม่รู้พนว้ยโอ้เป็นเจริญก็บเจริญบ้านเนี่ยเป็นว่าอะไเขาก็เลยจำเลยจะปางพุ่นเอาไปมาแล้วเขาก็เลยตรวจปัองแหละบอกหาหาสาเหตุมาเจอท่านคิดอะไรไห <c oughs> มท่านหนักใจอะไรไว้หมหมอเจริญพวกหมอถามบานาอนะเขาเป็นนักพจนักบวชจะไปหานักใจยังอย่างเกิดว่าเขาถิ่ตายคู่เหมือน อ, อขายหายใจบวกเขาก็ตายหายใจบพอกกขาตายก็พี่เท่านั้นแหละเป็นนักใจยังเรื่องอื่นอื่นเรื่องโลกมันกับเรื่องโลกอยู่แล้วแต่ที่เหตุนั้นประทําถ้นั้นก็เรื่องโลกมันก็เป็นยุ่งังสี่อยู่แล้วเราจะไปงนา น, นนักใจความนักใจมอมีดออกไปก็หูยก ม, มันมันเป็นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแต่มัดปวดหัวนี่หนาวปะมาเดีมากก็เลยคุณนายไอ้คุณหญิงคุณหญิงไขสีที่ตกเครื่องบิน เ่นปัญนาของดรเตเช่านะี่ยหลวงพี่หลวงพี่เคยไปตรวจตรวจตาไหมเหมือกันนบ่แล้วอะเอา้านิมนต์ไปตรวจอาจารย์ม อ, อุฏไทยรัตนินดูสิเหนเพิ่เนเป็นมู ก, กันเลยเกับดรเตเช่านะไปไปัลงลงไปตรวจตรวจตาผ้าไปพ่อไปอาจารย์โม อ, อาจารย์มออุไทยตรวจเองเลยป้าเป็นซองตาว่าท่านท่านอินเนกันเนี่ยเพราเนเคยไปบวชอยู่บัณฑไปบวชบันตาตรงกันเล เป็นพระพีเลียงเพนสมัยนนวยเอ้าท่านอท่านปวดหัวไหนโอยก็ปวดหลที่มหาเลยก็พาอปวดหัวโอ้ยตาท่านเอียง่านบวบนะเออตาท่านเอียง่าจนเครือมันมองมงข้างองนี่ยข้างนึงโรงข้างนึเอียงมันงัดกันนบวบเลยพรามันงัดกันนมันมันมันมัมันิมงเส้นประสาทมงหัวเพเนาะทให้ปวดหัวแบบนี่ท่านเท่านปวดหัวใช่ไหใช่แล้วโอ้ยเด็ดด็ดด ผมจะตัดแว่นให้แต่ตัดแว่นให้นี่ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เน่ยท่านจะเดินพิษเดินถูกกุศลพลว่ามันจะเบ้อปุ่นบเพราะพอางัดสายตาขึ้นให้มันให้มันไอ้มันตรงกันมาสักหน่อยเดี๋ยวนี้มันสายตามันเอียงครั้งหนึ่งมาสักหน่อยวันนี้ยที่หามันขึ้นไปหากัดมาสักน่อยแต่ท่านจะลําบากสักหน่อยแต่อดทนนะอดทนให้รู้ว่าเราพยายามงัดสายตาให้มันขึ้นไปหากัดมาสักน่อยแว่นมาสักน เอกเออวะเขาแมนคว่ำเขาอีหลีนะวะพออ่อใจก็ไปโหยอาเธอร์หนึ่งหัวของเขเลยหายปวดตั้งแต่ปานนั่นมาแลว้วหนูไปเพราะนั้นเรื่องปวดหัวปวดหัวอย่าไปหาคิดแนวอื่นนะบางทีมันตุ่งเกี่ยวสายตาก็มีได้อันนี้บอกบอกให้พวกลูกโคลนในหูจกกักระไวว่าปวดหัวในสาเหตุเพอนนันใดควรจะไปตรวจสายตาไปซองปองบริษัท บ, บางที่มันสายตาเอเียงนี่ถ้าไม่ปวดหัวไดยังรกพรในเจอมาแล้วนูไป เจอก็ะลงพอหลวงพ่อไปตรวจอยู่สีทัญญานแผนโจบบักไงเอานะไปใส่มัดทำแขงน้ำขาน้ำขี้ในหัวก็ใส่บีบตับตับตับแมนมัดตัวนั่ไปนั่เขาตรวจเช็นประสาทมาแล้วว่าหาหาพอเจอที่แท้มันสายตาตาเอียงมียงบอกเอามอบกาบลงขนาดส่ง มีหลวงพอ่อคำใหม่ของเราเป็นประธานและคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนได้มาคารวะหลวงพ่อตามประเพณีช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราท่านทั้งหลายได้ประมาทภาดพังหลวงพอ่อด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจด้วยความสภาะมักง่ายความรู้เท่าไม่ถึงการประการใดก็าตามหลวงพ่อยินดีอโหสิกรรมให้กับพวกเราท่านทั้งหลาย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 อภิวาทนาสีลิสนิตยังบุษธาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง